เพิ่มเกลื อ, อการทในแต่ละสุวนนะก็ตั้งใจตามธรรมะนะธรรมะก็คือเรื่องเรื่องของความเป็นจริงนของตัวเราเองหรือว่าความเป็นจริงของของธรรมาชาติเมื่อกี้เดินผ่านหน้าห้องมาก็เห็นทิชชู่ตาลทีง่งานเป็นรูปว่าธรรม ก, กับธรรมาชาติ ทีจริงมันเป็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละธรรมะกับธรรมชาติตัวเรากับธรรมชาตินะ่ะก็เป็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละไม่ได้แยกออกไม่ได้แยกขาดจากการนับเพราะว่ามันมีกฎของธรรมชาติที่ที่เรียกว่าครอบคุมหรือว่าเป็นกฎที่ตายตัวที่เรียกว่าให้พวกเรามีในกฎเดียวกันเนทะ่านั้นคือกฎอะไรก็คือความไม่เที่ยง ความไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงของมันอตลอดเวลานะความเป็นทุกข์คือสภาวะที่มันโผลอยู่ในการเดินไม่ได้อีกตลอดเวลาความไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้อนัตตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีตลอดเวลาทั้งสามชนิดนั่นภาษาพ่าเภายกว่าตกของใจรับนะก็คือกฎของธรรมชาตินั่นแหละ อย่างจามพุทธะก็จะพูดเสมอนะอธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือการทำหน้าที่ธรรมะคือคําสัมพอนของพระ พ, พุทธเจ้าอันนี้คือธรรมะเท้งนั้นถ้าเราสามารถนะเอาธรรมะมาใช้กับการทำหน้าทีนะ่อันนั้นก็คือการที่เราปฏิบัติทำแล้วถ้าเราสามารถ เข้าใจกฎของธรรมชาติยอมรับความจริงของธรรมชาติอันนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมแล้วอันนี้แหละคือเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้ยอมรับความจริงของธรรมชาติก็แค่นั้นแหละแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงของธรรมชาตินะมันก็จะเรียกว่าเกิดความทุกข์หรือว่าเกิดความวั่นไหวในจิตใจนะยังช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีขาวเกี่ยวกับพระนะ เยอะนะออกหน้าหนึ่งติดต่อกันหลายวันเป็นเรือรักก็มีหลายคนก็วันไหวหลายคนก็เสือส่อมศรัทธาทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้ น, นทำพระที่ราศิษขาหรือว่าพระที่ดวมคดีอะไรเนี่ยก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังเราก็วันไหวนะสำหรับบางคนแต่ด้านคนที่เข้าใจกดของธรรมชาติแล้ว ไม่วันไหวนะเพราะว่าอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงอะไรมั น, นก็ไม่เที่ยงนะอะไรก็บางขั้นช้าไม่ได้นะเราจะให้เที่ยงแท้แบบนั้นตลอดมันก็ไม่ได้นะสภาวะต่างๆมันมีความไม่เที่ยงของมันอยู่ถ้าเราเข้าใจ่าเออมันก็เป็นธรรมดาของเขาเรากลับมาดูใจของเราเองว่าใจเราวันไหวไหมกัขบข่าวที่เกิดขึ้นที่จิงข่าวตัวใหญ่ ข่าวดีๆไม่คอยออกออกแต่ข่าวไม่ดีเนะี่ยที่จริงพุทธศาสานาหรือว่าพระดีๆก็ยังมีเยอะอยู่แต่เขาไม่ค่อยได้ออกข่าวลันดังหน้าหนึ่งนะหรือุางทีไม่เป็นข่าวเลยทั้งไปแต่ถ้าข่าวไม่ดีเนะนี่ยออกหน้าหนึ่งออกตัวละครอันนี้ถ้าเรามีความมั่นคงในธรรมะเราก็จะไม่หวั่นไหวสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นแค่ปรากฏการณ์นึงนะที่ที่ความวิทีมันก็แสดงตัวตนให้เห็นนะ มาแสดงให้เราเห็นเราก็แค้ยอมรับมันแต่เราวันไหวไหมเอีเรากลับมาดูที่ตัวขเราเองประมาณชอบที่หลวงพ่อเทียนท่านท่านเคยกล่าวไว้ใน ต, ตอนนึง น, นะอาจจะจำอาจจะจำโดยเรียบเรียงแต่อาจจะไม่ครบทั้งหมดแต่ท่านกล่าวประมาณว่าการสแสวงหาพระพุทธเจ้าก็ดีการสแสวงหาพระอาหารหันต์ก็ดีการสแสวงหาผู้รู้ต่างๆก็ดีนะ ถ้าไปสแสดงหานอกตัวเรามันยังไม่ใช่ต้องกลับมาสแสดงหาที่ตัวของเราเองหรือผู้ดีในนึ่น ก, ก็คือหรวงพ่อทิศนั่นบอกว่าจะสแสดงหาพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธ ก, ก, าาท ก, ก, ทก็ให้กลับมาหาในตัวเราเองจะหาพระอรหันต์ผู้ที่พ้นจากความทุกข์แล้วก็จะไปหาที่ข้างนอกให้กลับมาหาในตัวเราเองมาดูว่าความทุกข์มันเป็นแบบไหน แสดงหาผู้รูนะ้น่ะก็ตัวเราเองนี่แหละสามาเป็นผู้รู้ได้คือท่านที่กลับมาสะท้อนกลับมาดูตัวเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะถ้าเราสแสดงหาธรรมะแสดงหาความจริงจริงเนี่ยให้เรากลับมาหาตัวเราเองจะพูดจ <IZ> e> ริงในในนึงก็ได้ถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์หรือถ้าเราอยากจะมีความสุขจริงๆเนี่ยให้เรากลับมาสแสดงหาที่ตัวเราเองถ้าเรากลับมาที่แสดงหาที่ตัวเราเองนะ อาจจะตรงพกแล้วเราจะไม่ผิดหวังเนะพราะถ้าเราไปปากความหังด้วยกับคนอื่นสิ่งอื่นเนี่ยสิ่งอื่นถ้าเขาไม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการนะเราก็ผิดหวังก็เกิดความทุกข์ใจอนะหรือถ้าเขาเป็นอย่างที่เราคาดหวังเราก็เกิดความสุขใจแต่ความทุกข์ความสุขตรงนั้นมันเป็นความทุกข์ความสุขที่มันพึ่งจริงด้วยคนอื่นนะมันอาศัยเนื่องด้วยคนอื่นหรือวัตถุอื่น แต่ถ้าความทุกขหรือว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยถ้าเราย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเองเนี่ยเราจะเห็นว่าปัจจัยที่สําคัญจริงคือตัวเราเองเนี่แหละใจเราหวั่นไหวไปกับอารมณ์ต่งางๆหรือไม่ถ้าเรากลับมาดูที่ตัวเราเองแล้วก็มาฝึกที่ตัวเราเองเนี่ยมันจะเรียกว่าแม้มีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นรอบตัวแต่จิตใจเราก็สา ม, มารถสงบนิ่งได้นะแม้มีความทุกข์มีปัญหา มีโรคภัยไข้เจ็บมีการงานที่ที่ยุย่งเหยิงสับสนโรค ก, ก็วุ่นวายมร้อนทะเลน้ำตาลก็แล้วแต่แต่พวกนัน้นเป็นเรื่องภายนอกแต่เราสามารถรักษาใจเราให้กลืนปกติได้นะแม้สิ่งตา่างๆเราไม่สามารถบังคับมิจฉาได้เราเป็นเพียงแค่หึ่งเหตุหนึ่งปัจจัยยังมีอีกหลายร้อยหลายพันหลายลาย้ลานปัจจัยที่เกี่ยวข้ อ, ของกับเราเราไม่สามารถบังคับได้นะ แต่เราสามารถรักษาใจของเราได้ให้ถึงปกติได้เนี่ยหลักสาคัญนะจริงๆนะอกลับมาดูมาดูกายดูใจเนที่สมมติว่าเรียกเป็นของเราเนี่แหละนะอกลับมาดูแลรักษากายรักษาใจมันเป็นปกติไหมเราจะรักษากายรักษาใจให้เป็นปกติได้อย่างไรเพราะเมื่อ เ, เรามามีสติมารู้สึกตัวอถ้าเราไม่มีสติเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยนความคิด ยีเดียงเนี้ยจะเป็นนายเหนือเราเราจะถูกความคิดถูกกิเลสนะถูกอารมณ์พาให้เรารักพาให้เราชังพาให้เราร้องไห้พาให้เราหัวเราะพาให้เราทำนั่งัำนี่ผิดศีงผิดธรรมบ้างอันนี้ก็มีนะเนี่ยถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันเนี่ยตัวเรานี่จะเป็นทาสของกิเลสตัวเราจะเป็นทาสของความคิดนะ แต่ถ้าเรามีสติขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมานี่กิเลสความคิดมันก็ยังมีอยู่นะแต่ครนี้พอเรารู้เท่าทันเนี่ยมันจะมาหลอกเราไม่ได้เหมือนอย่างที่พระเจ้าพอท่านตรึงแล้วพาสิติแรกที่ท่านเด้กล่าวไว้ก็คือเนะนี่ในช่ำผู้ปลุกเรือนนะเรารู้จักเจ้าเสียแล้วต่อไปเจ้าจะทำเรื่อให้เราไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะ เมื่อพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าใครเป็นคนที่สร้างเรือนเรือนในที่นี้ก็คือสร้างภพสร้างชาติสร้างความทุกขนนะ์ที่ทําให้ต้องอยินไหวใจเกิดําแล้วําเล่า น, นะนี่แหละเรือนตอนนี้แหละพระเจ้าเห็นแล้วว่าใครเป็นคนสร้างเมื่อเห็นคนสร้างแล้วไม่ว่าจ้างแล้วเลิกจ้างแล้วมันก็ทําไม่ได้นะอะเราเดิกคบค้าสมคาคมกันมาแล้วมันก็ทําไม่ได้นะ อันนั้นกีเรสแม้ยังมีอยู่แต่ถ้าเรารู้เท่าทันถ้าเราไม่ปุงแต่งต่อเนี่ยก็เหมือนกับสมมติว่ามีงานก่อสร้างขึ้นมาที่หนึ่งเนาะผู้รับเหมามารับเหมาก่อสร้างไปแล้วพอเราเห็นแล้วว่าเขาไม่ต้องมาพละค น, น, นเราก็เลิกสัญญาเลิกว่าจ้างงานมันก็ไม่สําเร็จเป็นรูปเป็นร่างมันก็จบไปความคิดที่มันเกิดขึ้นในจิตก็เหมือนกัน ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นความคิดเกิดขึ้นกับจิตแล้วเราไม่ไปปรุงแต่งต่อความคิดนั้นมันก็เลยว่ามาลายหายไปมันก็ทำอะไรไม่ได้นะออคนที่มีปัญหามากๆจนกรทั่งต้องไปฆ่าตัวตายก็ว่าอะไรก็ความคิดนี่แหละมันปรุงแต่งต่อจากความเครียดนจากความตึงตัดก็ต้องไปปรุงแต่งต่อจนกระทั่งไปฆ่าตัวตายก็มี หรือบางคนโปรดมากๆก็ไปคุมแต่งต่อไปทําร้ายผู้อื่นไปฆ่าเขาไปทํำลายเขาก็มีอนี้ความคิดทำนั้นแต่ถ้าเราสามารถนเป็นนยายเหมือนความคิดได้นะเราจะเห็นว่าความคิดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่อารมณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นอถ้าเราเห็นแล้วมันก็จะผ่านไปอผ่านไปของมันเองหลพงพ่อคุณเขียนนท่านเคยเร่าให้ฟังว่าตอนที่ ท่านอาจจะยังเป็หนุ่มๆสักหน่อยดังนั้นท่านคงติดกับกงสงศาเป็นผู้อาจาชีพนะก็มีมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะเขาก็อยากให้น้องชายที่มีปัญหาในครอบครัวมาบวช ด, ด้วยนะก็พี่ชายก็บวชเป็นพระมันะก็ได้เชิญน้องชายมาบวช ด, ด้วยน้องชายก็ขับพี่ชายไม่ได้นั่นะก็มาบวชแบบไม่ได้เต็มใจนะมาบวชก็ด้วยความไม่เต็มใจเนาะ ครูบาาจารย์ก็ไม่ได้สอนอะไรมากสอนที่ปฏิบัติทำให้เดินจงกรมที่นั่งซ้ำจังหวัดแบบเมตายแบบวัตเทียนนี่แหละนะท่านก็บวชใหม่ๆไม่กี่วันต้องต้องมาทําแบบนี้เนาะใจก็ไม่สะท่าแต่ก็ทําไปเพราะว่าอุบาอาจารบอกให้ทำพี่ชายก็บอกให้ทําก็ทําไปก็คิดไปนะบวชได้สองสาวันก็มาหาหลวงพ่อบอกมาขอราศีขามกขอศึกอืมนะ บอกวผมไม่ได้ตั้งใจจะบวชพี่ชายผมขับพี่บวชนะผมบวชได้นะผมก็ขอศึกแล้วกันนะบวชนะหลวงพ่อบอกเออตอนนี้ไม่ใช่เวลาลาศิกขากลับไปปฏิบัตนะเขาบอกให้กลับไปปฏิบัติกลับไปปฏิบัติต่อตอนเย็นก็มามหาหาหลวงพ่ออีกนะบอกว่าผมไม่ไหวแล้วผมอยากจะลาศิกขานะจะจะศึกแล้วหลวงพ่อบอก เออเดีิคิดต่อมาเนาะกลับไปต่อไปไปฏิบัติตอนขํามก็มาหาอีกนะหาก็มาลาสิกขาม า, า, า, มาตืออ้นตอนีอน่ยสองส า, ามครั้งห้วงพ่อคณิฐานว่าอะไรทําให้คุณมาหาผมถามแค่นี้นะประมาณอะไรทําให้คุณมาหาผมทําให้อะไรทําให้คุณอยากมาลาสิกขาหลงพ่อก็ทําต่อไปขอเขาก็กลับไปที่คุณติด ก็ไม่รู้ไปปฏิบัติทำต่อหรือว่าไปคิดตามรื่ของพ่อพูดแต่พอเช้าวันขึ้นนะเขาต้องมาหาของพ่อว่าโขอบคุณหองพ่อนะที่ที่ไม่ได้ติดขาเนี่ยเขาเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าความคิดของผมเนะี่ยผมจะได้ติดขาไปแล้วก็ผมก็คิดว่าจะไปเอาคืนจากที่ไหนจะไปค่าภรรยา กับชู้นะที่มันมีชุ้กับภรรยาผมท้าผก็ให้ผมตืฤฤฤฤฤฤ่นเมื่อวานเนี่ยผมต้องไปเอาตืนแล้วไปฆ่าสองคนนั้นแน่นอนเนี่ย <c oughs> เก็เห็นแล้วว่าความคิดเนี่ยแหละพาผมที่มาลาสิกขาแล้วก็ความคิดนั่นแหละจะพาผมไปฆ่าคนนะแล้วก็ถ้าผมโดนจับผมก็ต้องติดคุกนู่นเขาเห็นโทษของความคิดเนี่ยก็เลยอยู่ต่อได้นะก็ะ อ, อยู่ต่อไม่ลาสิกขานะก็นี่แหละ ถ้าเรามีสติเราจะรู้ทันเห็นอารมณ์เห็นความคิดที่เกิดขึ้นเราจะทับท้วงความคิดทับทวงอารมณ์ได้นะไม่เป็นธาองมันจะเป็นทีสระเหนือความคิดเหนืออารมณ์นะแต่คราวนี้จะทำยังไงล่ะเราคือจะรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดได้นะต้องมีสติในการรู้สึกตัวตรงนี้ก่อนรู้สึกตัวในการรู้ทันความคิดในการรู้ทันอารมณ์นั้นก็ใช่เป็นตัวอย่างนึง แต่วิธีที่หลวงพเทียนท่าแนะนําเรื่องต้นสําหรับผู้ใหมนะ่การรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวจะเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายนะทําได้ง่ายทําได้ชัดเจนนะเพราะว่าในคิวจําวันของเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเราสามารถรู้สึกตัวกับกายที่เิลื่อนไหวแบบนี้แหละได้นะทั้งวันนยอนะอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดอย่าเพิ่งไปสนใจอารมณ์เพียงแค่รู้ว่ากายกำลังทําอะไร แค่นี้ก็พอแล้วนะกายตอนนี้กำลังนั่งอยู่ก็รู้ว่ากายกำลังนั่งอยูนะ่กายหายใจเข้าหายใจออกก็สามารถรับรู้ได้กายยกมือไปเอามือมาเคลื่อนไหวร่างกายก็สามารถทําได้กายก็เดินยืนนั่งนอนแล้วก็ตามรูนะ้ตัวอะไรที่รู้ก็คือสติเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นเห็นอะไร เห็นตายเคลื่อนไหวเหมือนกับเราดูคนอื่นก็เคลื่อนไหวในโยมนะเหมือนคล้ายเรานั่งอยู่หน้าโทรทัศน์แล้วก็ดูภาพเคลื่อนไหวตรงหน้าโทรทัศน์ตรตงนั้นแหละนะฉากมันก็เปลี่ยนไปตัวละครก็ดแสดงเปลี่ยนไปเรื่อยเรามีสติเป็นผู้ดูเห็นตัวละครที่ก็ดแสดงมันเป็นเพียงแค่อาการหนะนึ่งผู้ดูผู้รู้เนี่ยเป็นผู้ดูอยู่ต่างหาก แต่คราวนี้มันจะยากไงตอนที่เราต้องกลับมาย้อนอยู่กับเองแต่ทําความรู้สึกเหมือนส anyway. ิ่งที่ฟาโบขึ้นนั้นไม่ใช่เรามันเป็นเพียงแค่อาการของรูปนะภาษาคัดเรยว่าอาการของรูปถ้าภะษาเรื่องเข้าใจง่ายคือมันเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเราดูกายมันทํางานดูกายเปลี่ยนแปลงดูกายเขาแสดงดูกายเขาเดินดูกายเขานั่งดูกายเขายืน ดูกายเขานอน <Lindsey> ดูกายเขากินดูกายเขาเจ็บปวดดูกายเขาหิวนะดูกายเขาน่วงนี่นะดูถ้าเราดูนั่เราจะเจหลอกโอ้กายมีแสดงกว่าไม่เที่ยงให้เห็นบังครั้ไม่ได้นะนะเราก็ดูกายเขาแสดงอย่างเงี้ยดูกายเขาแสดงปฏิเป็นยงแค่ผู้ดูดเมื่อไรที่เราหลงไปยึดว่ากายนี้เป็นของเรากลับมาดูใหม่นะ เมื่อใดที่มันเจ็บปวดเอรู้สึกว่าครูเจ็บอ่าถอนออมาเป็นผู้ดูเห็นอาการเจ็บเกิดขึ้นกับกายอันนียดูกันเนีะมันไม่บใหมนใหม่ก็ไม่สามารถดูได้ตลอดแมันก็สลับกันระหว่างออกมาดูมีสติเห็นกายที่มันที่มันแสดงต่างๆแล้วก็เข้าไปเป็นเข้าไปเป็นครูในกูเดินกูยืนกูนั่งกูนอนกูยกมือครูทํานั่นทำนี่กูปวดกูเมื่อยอันเนี มันจะมีสระเกินไปเรียกว่าเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เห็นนะเดี๋ยวก็มีสติเดี๋ยวก็ลงเข้าไปในอารมณ์ R o, นะแล้วก็ดูเนะี่ยเราฝึกสติในใจเนะี่ยกลับมาดูกายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะไม่ใช่ไปดูกายที่เกิดขึ้นในอดีตนะไปแล้เรื่องรู้ว่าเออวิชาเนี่ยเราตื่นนอนท่าไหนยังไงอันนั้นเป็นอดีตนะดูลงที่ปัจจุบันเลยนะกายกลับมามีสติรู้กาย ที่ทําอะไรอยู่ในปัจจุบันนั่นะอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยที่เราจะสามารถมีสติได้ก็คือการมีสติรู้กายในปัจจุบันเรียว่ากายานุปัฏฐานก็มีหลายแบบแต่สายหลวงพเทียนน่าก็เน้นการเคลื่อนไหวของกายกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยสามารถปลุกสติที่เรายกมือตั้งจังหวะที่เราเดนจงกรมไม่ใช่เพื่ออะไรนะเพื่อแค่ปลุกสติ ปมุกใเกิดความตื่นตัวขึ้นมาถ้าเราไม่ปลุกสตินะสติมันมันมีอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันไม่ไทํางานมันตกลงที่หลับอ่ะไม่เกิดประโยชน์นะถ้าอย่าง่ี้การทำงานนะนะก็คือมันหลับแล้วมันก็ไม่สามารถทำอะไรได้อันนั้นเราปลุกสติให้มันตื่นขึ้นมาอตื่นขึ้นมาเรียกจะเรีกอย่างหนึี่ว่าเขยา่าทาตรู้ก็ได้ถ้ารู้ในตัวเราเนะี่ยมันมีอยู่แล้ว การเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการเขย่าพารู้ให้มันตื่นขึ้นมาปบผู้รู้ให้ตื่นขึ้นมาคล้ายๆถ้าเหมือนกับอบริษัทหรือว่าที่ทํางานต่างๆถ้ายามเขาหลับเนี่ยมีประโยชน์นะจ้างยามเอาไว้เนี่ยยามนอนหลับเนี่ยโจรขโมยก็เข้ามาได้เราปลุกยามให้มันตื่นขึ้นมาให้มันทํางานนให้เป็นตำรวจให้เป้าดูสิ่งอะไรแปลกปลอมเข้ามาไหม จิตใจของเราเหมือนกันปลุกสติปลุกยานะปลุกตํรวจให้มันตื่นขึ้นมาให้มันคอยรู้ทันความคิดรู้ทันความหลงแล้วก็กลับมาทำหน้าที่ในการเรียกว่าคอยรู้นะการทํางานของกายอยู่เสมอเนีนะ่ยก็ทำนะนะเราเคลื่อนไหวนะเอ้นะก็รู้สึกตัวไปทีละขณะรู้แล้วก็วางแล้วก็รู้ใหม่สนะติที่เป็นการรู้รทีละคำทีละคำ อนะรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้ใหม่ไปเรื่อยปลุกใหม่ไปเรนะื่อยน่ะคล้ายๆเนกับเราหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละหายใจเข้าไปแล้วถ้าเราไม่อยากให้มันหายใจออกก็มไม่ได้สติก็เหมือนกันนะเราอยากจะรู้ท่เดียวนะไม่วางตัวรู้นะตัวรู้ใหม่ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมานะแล้วเราจะกลายเป็นการหลงไปประคองตัวรู้ หลงไปประคองจิตนะซึ่งมันก็ไม่ใช่ทางเหมือนกันแตว่าเตียนแค่บอกให้รู้ึกคื่ อ, อรู้สบายสบายรู้เล่นๆออจะไปจริงจังอจะไปเคร่งเครียดอ่าสติมันมันไม่ยากขนาดนั้นใหนม่ๆนักปฏิบัติธรรมนักคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่มันเหนือวิสัยแต่จริงๆมันง่ายมากนะอย่างตอนเนี้ถ้าเรารู้รู้สึก นะว่ากำลังนั่งอยู่เนี่ยก็คือเรามีสติแล้วเรารู้อยู่ว่ากายเขาเคลื่อนไหวก็เรียกว่ามีสติแล้วเรารู้อยู่ในสิ่งที่กำลังฟังใจไม่ได้บลอกแฝงไปที่ไหนนี่ก็เรียกว่ามีสติแล้วนะหรือว่าพอใจเราเผลอไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันแล้วก็กลับมาอยู่ในเรื่องที่ฟังกลับมาอยู่กับการนั่งอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่ามีสติแล้ว ความสึกตัวนี่จะเรียกว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนอย่างที่หลวงพ่อเทียนนั่งบอกการแสวงหาอะไรต่างๆเนี่ยกลับมาหาที่ตัวเราเองเนั่แหละไม่ต้องไปหาที่ไหนความึกตัวนี่มันมีอยู่กับเราอยู่แล้วแต่เพียงแต่ ว, ว่าเราลืมดูเราลืมปลูกเขาขึ้นมาก็แค่นั้นแหละนะพยายามกลับมาปุูกตัวเ็ น, ะเนบนะ่อยๆหลงไปนี่เป็นธรรมชาตินะนะักปฏิบัติธรรมบางคนนี่กลัวความหลงไม่ชอบความหลง ปวความคิดไม่ชอบความคิดก็ได้ไยอยางที่จะทำอะไรให้มันข่มความคิดบังคับความคิดนะหรือคิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วต้องนิ่งต้องสงบต้องไม่คิดนะต้องไม่ฟุ้งซ่านอันนั้นยังไม่ใช่วิธีปฏิบัติแบบเรียกว่าจเจริญสตินะนะหรือว่าวิปัสสนากนาารรมฐานนะนะถ้าทำไปเพียงแค่ให้เกิดขอบสงบเกิดความสบาย เกิดความนิ่งๆบ้างๆอันนั้นเรียกว่าสมๆๆถะสมฐานนะแต่วิธีการที่เราจะฝึกเนี่ยเรียกว่าเป็นการเจริญสติหรือว่าเป็นวิปัสสนาสมถานเราไม่ได้ห้ามอรารมณ์ไม่ได้ห้ามความคิดไม่ได้ห้ามความปนะรุงแต่งแต่เพียงแต่ว่าเราแค่รู้แค่รู้ทันเขานะรู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกายรู้ทันเวทนาที่เกิดขึ้นรู้ทันจิตความคิด นะเจตบบสิกจึงเกิดขึ้นรู้ทันธรรมารมสภาวะอารมณ์ต่างๆภาวะวัฏสงการทีเกิดขึ้นเราแค่รู้ทันทเฉย น, นะอถ้าเราแค่รู้ทันีมันจะสบายถ้าเราอยากจะไปห้ามไปโก่งไปจัดการเนี่ยมันจะทุกข์นะั่นะเราแค่รูนะ้เฉยนแต่มาพิสติคอยรู้ตัวไปไวรู้ตัวไปไวแล้วทําแบบไหนทําแบบที่บอกว่าทําเน่งๆนะทําแบบไม่เครเครียด ทำแบบสบายบายทำแบบไม่ต้องอยากไม่ต้องอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีอยากจะเอาอะไรทำเหตุให้มันถูกแต่ผลมาสาร้างมาเองเมื่อมกี่วันนี้ก็มีนักปฏิบัติคนหนึ่งก็มาพูดให้ฟังคีอเขาก็มีความทุกข์เนาะทุกข์เพราะอะไรเขาไปคิดว่าตอนนี้อายุมากแล้วเป็นโรคเป็นโรคไปกค้เจ็บรินแลนะ ก็ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เป็นเด็กสาวนะรักษาศีลห้ารักษาสวดมนต์ทำวัช้าทำวัเย็นเป็นประจํามาตั้งแต่นู่นตั้งแต่เป็นเด็กหญิงนั่นแหละนะทั้งตอนนี้ก็แก่มากแล้วผมหงอกเยอะแล้วนะเป็นโรคนะไยแรงคนระับเหมือนกันนะรู้สึกว่าจะเองกลัวจะเสียชาติเกิดนะเกิดมาแล้วเกิด50ปีนะ ยังไม่ลึกรู้สึกว่ายังไม่ได้อะไรเลยอกลัวว่าจะตายเปล่าเหมือนกับพบชาติตื่ที่เวียนว่นนนายไปเกิดมารู้สึกพกผิดชาเกิดความคิดเปรียบเทียบตนเองปฏิบัติธรรมมาหลายปียังไม่ได้มักได้ผลได้อะไรก็เกิดความทุกข์ใจกังวลว่าอนาคตถ้าจะตายไปก็ะจะไม่ได้อะไรกลับไปติดอยู่กับปัจจุบันไหม คิดไปถึงอดีตนะที่ตัวเองเคยทอะไรมาบ้างจิตคิดไปถึงอนาคตถ้าตายไปแล้วไม่ได้อะไรไปเลยพอจิตไม่อยู่กับปัจจุบันยังไงก็เกิดความทุกข์ใช่อืมแต่ถ้าเราวางอดีตอเราวางอนาคตมันได้ในทาอปัจจุบันเยังนะอืมหรือถ้าเราลองจะมาดูปัจจุบันมาด้วยพิดความคิดเนี่ยมันให้เกิดความทุกข์ ถ้าอเรารู้ทันความคิดเน่ยมันตก็ไม่ทุกข์แล้แต่เราก็ไ ก, กลได้ไปนิดหน่อยประมาณนี้ยก็พอเขากลับมาจะหนักเห็นว่าที่จริงเราทุกข์เนี่เพราะเราไปคิดถึงอดีไปคิดถึงอนาคตถ้าเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์แล้วเมื่อไหร่ไม่ทุกข์ในตอนนี้แล้วนะถ้าเราสามารถฝึกไปเรื่อยๆก่อนถึงวันตายมันจะได้หรืไม่ได้อะไรเนี่ยมันก็มีสําคัญละเพราะเราไม่ทุกข์ในตอนนี้ แต่ถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราต้องอยู่กับปฏิอยู่กับน า, าพวกมันก็ทุกนะทุกทุกที่จริงสาเหตุของความทุกข์เราะความอยากนี่นหนะอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะเอานะเมื่อมันไม่ได้ไม่มีไม่เป็นไม่เอาน่ะมันก็เลยเกิดความทุกข์ใจนั้นปฏิบัติทำนะเราพยายามทำเหตุให้มันถูกผลมันก็ตามมาเองนี่แหละนะแต่ถ้าเราทําเหตุไม่ถูกไม่จะอยากขนาดไหนนะ่ะ มันก็ไม่ได้เพราะว่า อ, อะไรเหตุที่ถูกที่ที่สำคัญที่สุดคือการวางใจนะการยกมือสร้างจังหวะการเดินจกงกรมการเกิด์นบอลทำวัดชา้าทำวัดเย็นการรักษาสิน5้ารักษาสินแปดหรือสินแปดพระกดีอันนั้นเป็นแค่ปัจจัยนะเป็นสิ่งที่เอืนะ้อให้เกิดการเดินใ น, านาทางมัคี่ถูกเท่านั้นนะ มันเป็นแค่เป็นแค่รูปแบบแต่มันยังไม่ใช่เนื้อหาภายในสิ่งสำคัญุคือการวางใจวางใจให้เป็นกลางกับทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้สำคัญที่สุดวางใจไม่เข้าไปไปยึดไปจับอารมณ์ต่างๆว่าเป็นตัวเป็นตนตของเรานั่นแหละอันนั้นคือมร์นะแต่เมื่อไรที่เราหลงไปยึดนะสะพาวต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่มร์แล้วนะราวางใจเป็นกลาง ใจตั้งมั่นเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นอันนี้เป็นมากแล้วเราเดินไปเราจะเป็นพราหะเราจะเป็นพระเราจะเป็นแม่ทีเราจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าใจเราเป็นการกับอรารมณ์แล้ว น, นั่นแหละคือเรากำลังปฏิบัติธรรมนะแต่ถ้าเราทาวัดเกิดมนต์นะเราก็หวังให้ได้มผ ล, ลนิพพานจากการทำวัดเสิดมนต์เรารักษาสิบห้าต้อลักษสิบแปด แล้วก็หวังว่าอันในสงนั้นจะทําให้เราทนทุกข์เรายกมือตั้งจังหวะเราเดินเึ็นโคลนหรือเรานั่งสมาธิแต่จิตของเราได้อยู่กับปัจจุบันจิตก็คิดแต่อยากจะได้อันนั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมนะอการปฏิบัติธรรมจริงคือวางใจให้เป็นการกับทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วใจเป็นการนี้มันจะมีใจที่ตั้งมั่นเลยต่ตั้งมั่นคือไม่เรียกว่าไม่หลงไปกับอดีตไม่หลงไปกับนาคต้น มันจะยรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันนะแต่บางครั้งนะมันต้องเผลอไปบ้าง น, นะสมมชาตินะเผลอไปก็กลับมาใหม่นะสติคือเผลอแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้นะอย่าไปรักษาเผลอรู้ตลอดนะถ้ารักษาเผลอรู้ตลอดมันก็จะเป็นการเรียกว่าไปแบบครองเผลอรู้นะนะเราก็แค่รู้เน้นๆนะลงไปบ้างไม่เป็นไรแต่การที่มีกายเขึ้นไปจะทําให้เรา กลับมารู้ตัวได้ไง่ายขึ้นพยายามตั้งตัวรู้ขึ้นมาบ่อยๆการยกมือนี่แหละเป็นการตั้งตัวรู้การเดินจมกรมนั่แหละเป็นการตั้งตัวรู้หลวงพ่อเกียนท่านเน้นว่าเราอย่าอยู่นิ่งๆบางทีถ้าเราอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะหลงไปในความคิดคล้ายๆเหมือนกับเราเมือเมื่อก็คือใจเราลอยไปกับความคิดอเป็นฝัน เป็นคิดเฟเจอร์หรือว่าเป็นโจงกับอารมณ์การปลุกความเคลื่อนเนี่ยพยายามอย่าอยู่นิ่งๆเพราเราเคลื่อนไหวต้องตามรู้เห็นเห็นกายเขาเคลื่อนไหวเห็นกายเขาเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ถ้าเราไม่ได้สร้างการเคลื่อนไหวเราก็สามารถรู้การเคลื่อนไหวที่มันเป็นธรรมช า, าติในขณะนัน้นก็ได้เช่นลมหายใจเนี่ยเราไม่ต้องสร้างมันก็ยังหายใจอยู่เห็นไหม อาจะเผอไปขนาะไหนก็ยังหายใจนะตามันก็สะทิปของมันบ่อยๆของเองนะนั่งเนี่ยก็มันก็มีสภาวะอาการของมันมันไม่ไนิ่งๆแล้วไม่ใช่อุ่นปั้นนะมันก็มีการเคลื่อนไหวขยับของมันเองอยู่มันก็สามารถรู้ได้ลมที่กระทบสัมผัสเนี่ยก็เกิดตัวรู้ได้นะเนี่ยนี่คือกายที่เคลื่อนไหวนี่มันสามารถมีหลายลายอย่าง ส่วนหนึ่งเราสามารถสร้างขึ้นเองก็ได้ทิ้งมือไปเอามือมาขึงนิ้วเนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาแล้วก็รู้ก็ได้หรือจะรู้กับสภาวะการเปลี่ยนไปที่เป็นธรรมชาติก็ได้อนะหรือถ้าเราพัฒนาขึ้นไปนะเราก็จะรู้เท่าทันความสุขความทุกขนะ์ที่มันเกิดขึ้นใ น, นใจิตใจอบางครั้งเราปฏิบัติทําไปแล้วมันมีความสุขเกิดขึ้น เราก็รู้ว่าขา้อมีความสุขเช่ น, นสมมติลมพัดมาถูกกายโอ้กายก็สะใจกับความเย็นใจก็เจอความสุขเนาะเจอความสุขใจเราก็สามารถรู้ทันได้นะบางครั้งนั่งไปเจ็บปวดเนื่อยกายก็ปวดใจก็เผอเข้าไปทุกข์เพราะเวทนาตรง น, นั้นด้วยก็เห็นว่าใจทุกข์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็มีมีสติกับการเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นก็ได้นะ เป็นทุกข์กเวทนาบ้างเป็นสุกขก็เวทนาบ้างหรือบางทีก็เป็นอาการเฉยเฉยนะไม่ได้ไม่ได้สุข ไ, ไ, ไม่ได้ทุกข์ก็มีอแต่ที่เห็นได้อีกอย่างที่เห็นบ่อยอีกอย่างแม้เรา ส, สติเบื้องต้นจากการรู้ตายนะแต่มันไม่ใช่เป็นแบบว่าจะรูต้ตายอย่างเดียวหรอกที่จริงความคิดนะหรือว่าเอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยมันก็เห็นได้แทรกไปเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนอ ขั้นบันได น, นะหนึ่งสองสามสี่ต้องเรียงลาดับไปที่จริงถ้าเจอสติจริงนะมันที่จริงตายวทนาจิตธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันตลอดเวลาอยู่แล้วแหละ แ, แต่เห็นว่าสติขนาดนั้นนะมันจะเข้าไปถึงอะไรนะตายต้องมีตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดจนเราตายมีตลอดเวทนาก็เหมือนกันสุขทุกข์กหรือว่าเฉยเนี่ยมีตลอดนะบางครั้งไม่สุขบางครั้งไม่ทุกข์บางครั้งก็ต้องเฉย สามอย่างนั้นมีตลอดเวลาจิตก็เหมือนกันจิตถ้าจะว่าง่ายกคือตอนนี้ถ้ามันไม่ปกติมันก็ผิดปกติไปนี่แหละจิตปกติก็คือจิตที่ไม่คิดไม่ฟุกไม่แฝงว่างๆว่างๆมั่นคงอยู่จิตที่ผิดปกติไปก็ความโลภความโกรธความห้งความรักความชั่งนั่นต่างมันก็มีสองด้านตรงนี้แหละเหมือนตะเกียบสองด้านไม่ปกติก็ผิดปกติไปมันมีแบบนั้นตลอดเวลา ตา ม, มาลมก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแสดงอยู่ตลอดเวลาเลย่ะมันมีตลอดไปวลาแล้วติดนี้ก็สติจะเข้าไปเห็นอะไรนั้นเราฝึกสติแม้รู้กายเคลื่อนไหวแต่บางทีความคิดมันแทรกเข้ามาเรารู้ทันความคิดอันนั้นก็เรียกว่ามีสติเหมือนกันแต่รู้แล้วก็วางนะรู้ไม่ได้ไปปรุงต่อไม่ใช่ไปคิดต่อนะอะบางทีอยู่ดีๆก็โกรธขึ้นมามันโกรธของมันเองนะบางที ไม่ได้มีเหตุไม่มีใครมาดา่าไม่ใครเลย ว, ว่าแต่บางทีจิตมันก็เผลอไปคิดเรื่องที่เคยโกรธเมื่อหนึ่งปีที่แล้วก็มีหรือบางทีเราเห็นหน้าใครบางคนเนี่ยที่ก็ไม่เคยรู้จักกันนะแต่เห็นหน้าแล้วรู้สึกเ <c oughs> หมือนไส้มีไหมเห็นหน้าแล้วรู้สึกอคนนี้น่ากลัวเหือเกินมันก็เกิดของมันเองนะไม่ได้ตั้งใจเลยนะว่าเดี๋ยวอีกนาทีข้างหน้าจะโกรธแต่มันโกรของมันเองก็มีนะ หรือบางที่เห็นหน้าตคตโกโลดอดีสวยดีเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาในใจก็มีนะไม่ได้ตั้งค่าแต่เป็นเกิดขึ้นมาเองเราก็สามารถรู้ทันได้อันนี้ยคือสภ า, าวะอาการต่างเกิดขึ้นคนมันเองนะเราก็เพียงแค่รู้นะแล้วก็วางสติเนะี่ยมีหน้าที่ตรงนี้แล้วถ้าพวกเราสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องอต่อเนื่องในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะไม่หลงนะจะพิมพ์ว่า ในแต่ละวันเนี่ยเราพยายามรู้บ่อยๆตั้งแต่ตื่นจะท่านถึงระดับนะจะทําอะไรก็พยายามรู้ตัวรู้กายบ้างรู้ใจบ้างระดับกันไปสะับกันมาอยล่านี้นะรู้กายที่เป็นปกติบ้างรู้กายที่มีเวทนาบ้างนะรู้ใจที่เป็นปกติบ้างรู้ใจที่มีกิเลสบ้างรู้สลับตันไปแบบันี้แหละนะเรียว่าเป็นสติต่อเนื่องนะสติต่อเนื่องคือไม่ใช่ว่าไม่หลงแต่เมื่อหลงไปแล้วก็รู้ทัน เราไม่ใช่พระอาหารหันต์จะไม่หลมไม่ใช่การมีสติต่อเ น, นื่องคือพัฒนาเลยนี่นแหละตอนที่มันรู้รู้แล้วก็วางตอนที่มันหลมหลมแล้วก็วางนกันรู้ไปทีละขณะทีละขณะทีละขณะนน้นรู้ไปเรื่อยนี่ว่ามีสติต่อเ น, นื่องไปเรื่อยต่อไปสติมันจะพัฒนากลายเป็นญาณเป็นปัญญาเห็นสภาวะของรูปเห็นสภาพของนาม มันแยกจากกันพติกินเพียงแค่ผู้เห็นเห็นว่ารูปเนี่ยที่มันเคลื่อนไหวมันก็ส่วนหนึ่งอารมณ์ความคิดความรู้สึกมันก็เป็นนามธรรมอยู่ส่วนหนึ่งมันเนื่องด้วยกันนะแต่มันเป็นเหมือนคล้ายๆมันเป็นส่วนประกอบกันเฉยๆแต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันเนื่องอาศัยเพื่อกันกันชีวิตนี้มันก็มีรูปมันก็มีนามมันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไม่ใช่ชีวิตนะ แต่ไม่จำเป็นว่าสมมุติว่ารูปนี้มันทุกนามไม่จำเป็นต่องทุกก็ได้นะสมมุติว่านะมีอารมณ์เกิดขึ้นกับความคิดร่างกายก็ไม่จําเป็นต้องไปตรงมือกระวายมันก็ได้ไม่ได้แยกขาดจากกันโดยเฉพาะอาการที่มันเกิดขึ้นกับรูปเนี่ยอาการของใจมันยังรักษาเป็นปกติได้นะไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขเพราะว่าความสะดวกหรือว่าความทุกข์ของรูป มันก็เห็นเป็นแค่อาการปิดเฉยนะเมื่อเราเริ่มเห็นภาวะต่างๆเนะมันแยกออกจากกันเป็นวิปัสนาขึ้นมาเนะี่ยมันจะมันจะเห็นสิ่งต่างๆเป็นอาการอนะมันจะไม่เห็นว่าอันนี้คือแขนอันนี้คือขาอันนี้คือหัวนะหรือบางทีอารมณ์ต่างๆมันก็ไม่ได้พูดเป็นเป็นชื่อหรอกนะแต่พูดบ้างก็ให้เพื่อนฟังเข้าใจแต่มันจะรู้สึกว่าสิ่งต่างเป็นเรียกว่าอาการ เป็นเหมือนเมาไปเลยนะอถ้าเหมือนกับพวกของมือต่อที่เรายกมาขายมันเมามายกประกอบยกถุนมาเลยนะมันรวมๆไปเลยไม่ต้องไปแยกอันนี้ยี่ห้ออะไรอันนี้อก็ซื้อโยมแบบไหนมันเหมาเมาเท่านั้นเละอาการต่างๆก็เหมือนกันนะอาการมันโยนแล้วนี่อาการของลูกมันก็แสดงอาการไปแบบนั้นแหละอันนี้อาการของน้ำมันก็แสดงอาการลงมาแบบนั้นแหละ มันเป็นเพีงแคอาการของรูปอาการของนามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราจิตมันจะค่ไยๆผ่อนการยึดมั่นถือมันในตัวตนเนี่ยเพราะว่าอะไรเห็นว่าสิงต่างเป็นเพียงแค่อาการอ่าเมื่อเราเห็นสิ่งต่างเป็นเพียงแค่อาการนะจิตมันจะคลายการยึดมั่นว่ามันเป็นตัวเป็นตนของเรามันจิตมันจะเกิดความเบาสบายขึ้นมาอบางคนก็บอกว่าเหมือนคล้าย เหมือนคล้แบบของหนักแล้วก็วางของหนักมาได้ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นก็มีนะมันเกิดความเบาของโ่คขึ้นมาแต่นี้จริงมันก็ยังมีหลายอาการนะที่มันยังมันยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นอาการบางครั้งเอารมณ์ละเอียดบางครั้งอารมณ์พาณีมันก็ยังหลงื่อทีก็หลงกับความบางทีพอเราเริ่มเข้าใจสภาวะรูปนาขึ้นมาที่ต้องมีการหลง มีปิตินขึ้นมามีความสุขขึ้นมาหรือบางทีก็มีความอยากแต่ไปบอกก็คืออ้นขึ้นมาอบางทีก็เกิดความรู้ที่ซึ้ง ข, ขึ้นมาก็เป็นติดในความรู้ก็มีนะพวกนี้มันก็จะละเอียดขึ้นมาเราก็ต้องสุขสติให้รู้ทันนะอาการพวกนี้ก็เป็นเป็นสภ า, าวะอย่างหนึ่งเหมือ น, นกันเป็นอาการเป็นเหมือนกันนะ เราก็ต้องฝึกให้รู้ทันว่า้มมันตรงไปแล้วนะวางมั น, มนกันแม้แต่สิ่งที่ดีก็ต้องวางไม่ใช่วางแต่สิ่งที่ไม่ดีนะอะบางทีนปฏิบัติเนี่บางทีก็สิ่งที่มันไม่ดีกลาจะรู้ทันได้เร็วแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นเนี่ยอยู่นนยกับนะมันนานแต่เจอนะบางคนเมื่อมีปีติมีความสุขนี่อยากแตะแฉะเมื่อ ม, มันรู้แล้วก็เกิดกระยิมยิ้มย่องอยากแตะ บ, บอกแตะแตะสอนดังนั้นก็มีอ่ะเราก็ต้อง พัฒนาไปเลยอันนี้คือการฝึกสตินะมันจะพัฒนาไปนะพัฒนาจากที่เดาหลงทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละต่อไปแล้วเขาจะรู้มากขึ้นดูมากขึ้นนะต่อไปเขามีปัญญาเนะข้าใจกับว่ต่างๆเป็นเพียงแค่รูคเป็นเพียงแค่นานนะเห็นความฟุ้งที่เกิดขึ้นกับรูปเป็นความฟุ้งทีกิดขึ้นกับนามนนะเห็นความไม่เทีย่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ที่มาแสดงการต่างๆนะมันเห็นว่าสิ่งไหนเป็นสมมุติสิ่งไหนเป็นความจริงแท้นะมันก็แยกได้ว่าไอ้สมมุติมันเป็นแบบนี้แหละเราก็ไม่ติดใ้สมมุติแต่ก็ไม่ปฏิเสธสมมุตนะินะบางคนบางคนมั่วๆนะอันนี้สมมุติปฏิเสธทั้งหมดก็ไม่ใช่สมมุติเราพูดรู้อว่าสมมุติอแล้วก็ทําตามสมมุติไม่ได้ปฏิเสธสมมุติ แต่เราก็รู้ว่าอะไรคือความจริงแท้อะไรคือความสมุติมันก็แยกกันอยู่นะเราก็อาศัยความไม่ติดในสมมุตินั่นแหละคือความเรี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมเหมือนกันทําตามสมมติมมนะแต่ไม่ติดในสมมตนะิเรามีหน้าที่แบบไหนแล้วก็ทําแบบนั้นไม่ได้ปฏิเสธ ไ, ไปน่นปัญญามันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยเื่เริ่มต้นจากการที่เรามนะนะีสตินี่แหละนะฝึกไปเรื่อยๆเนะฝึกนะไปเรื่อย จะได้อะไรก็เป็นของเรื่องของมันเนาะเราปฏิบัติธรรมถ้าเราวางใจถูกปฏิบัติธรรมนันก็ก้าวหน้าไปมากกว่าครึ่งละแต่ถ้าเราวางใจผิด น, นะมันก็จะเครียดนะมันก็จะหวังแต่แต่เอาอหนะม่ใหม่ในปฏิบัติเราพยายามจับหลักไม่ได้ก่อนนะเอาง่ายๆจับหลักก็คือการมีสติในการรู้ปยัยทิ้งเคลื่อนไหนะหลักเบื้องต้นเลยนะอนะ หลักเรื่องมีสติในการรู้กายเคลื่อนไหวรู้แบบเป็นผู้ดูนะไม่ใช่เข้าไปจดจ้องหรือว่าไปส่งจิตมาเพ่งที่มือที่เทา้านะต้องระวังนะอย่าส่งจิตมาอยู่ที่มือที่เทา้าที่ขาที่ลมหายใจติดจิตเป็แค่ผู้ดูเหมือเนเราดูคนอื่นเขาเดิ น, นดูคนอื่นเขานั่งดูคนอื่นเขายกมือดูแบบเนี้ย น, นะตอนไหนที่ อตอนไหนที่มันโลกเข้าไปเป็นเข้าไปเพ่งก็ถอยออกมานะเป็นผู้ดูใหม่นนะแต่บางครั้งมันรู้ชัดมันรู้ไม่ชั ด, ม ด, ไ, มชดไม่เป็นไรนะรู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าอยากให้มันชัดตลอดนะไม่ใช่นะรูนะ้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละนะมันจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างรูปของมันอนะเราก็วางใจแบบนั้นแหละอืออันนี้มีสติเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูกายที่เคลไว้ แต่บางขณะมีเวทนามีความคิดมีอารมณ์เกิดขึ้นเป็นธรรมดานะอย่าไปพยายามโหมอย่าไปพยายามข่มความคิดข่มอารมณ์มันเห็นแล้วก็เหมือ น, ในใคล้ายๆเป็นขึ้นมาแล้วไม่ปลุกไปปรุงตอ่อนะครับมันก็ตกไปใใคล้ายๆเหมก็มีของมันตกลงมากาต่างเลยนะถ้าเราไม่องมือไปรับนะมันก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยตกไปของมันความคิดก็เหมือนกัน ปล่ายมันผ่านนะมาผ่านไปที่มันเดบิบปรุงแต่งต่อตัมันก็พอแล้วลอง ค, คิดเช่นความสงสความปุงแต่งไปอดีตไปานาทุาต่างๆปล่อยใผ่ า, านเลยนะแค่รู้ทัน้ก็ป่อยให้ผ่านไปรู้ทันปยหม่านไปเราไม่ต้องไปห้ามมันแต่ไม่มป็นบุงแต่งกับมันเพราะแค่นั้นแหละนะมันมันจะสลับกันไปสับกันมาคือการปฏิบัติธรรมนะ อารมณต่างๆควาคิดต่างๆมันจะชวนให้เราเป็ปรุงแต่งต่อหลักเราคือไม่มีปรุงแต่งกับมันต่อก็แค่แนั้นแหละอืานี่คือการปฏิบัติทำแล้วนะรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิ ด, คดนึก น, นี่คือดลักที่หลวงพ่อเจียนท่านท่านบอกไว้รู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิ ด, คดนึกเราทําแค่นี้แหละทั้งวันทั้งคืนลองดูพิสูจน์ดูว่าะถ้าเราทําแค่นี้นะ จิตเราจะเกิดความมั่นคงไม่หวั่นไหวโลกจะถล่มฟ้านจะทลายใครจะสึกใครจะโนจับกระดางของเขานะเรารักษาใจของเราให้เป็นปกติไว้อันนี้ยเราจะเกิดความไม่หวั่นไหวในโลกรธรรมตา่างๆบางครั้งคนก็ดินทาบางครั้งคนก็สรรเสริญนะบางครั้งก็อกรองหายบางครั้งก็มีอะไรได้มาโดยโชคช่วย เราก็ไม่หวั่นไหวไปสตกไปทุกข์นะมันได้มาเราก็ไม่โงงดีใจมันเสียไปเราก็ไม่โงงไปทุกข์ใจอันนี้เป็นดีกว่านะอถ้าได้มาเสียไปค่อยโตกคอยทุกข์ตามนั้นเนี่ยมันก็ยังบนเวียนอยู่กับโรคอยู่นะอืมอันนี้เป็นเรื่องของโรคธรรมเนาะเราพยายามรักษาใจของเราใ ห, ให้เป็นปกติแต่ใจเป็นปกติไม่ใช่ใจที่แข็งไม่มีอารมณ์นะอ มันก็ยังมีอารมณ์สุขทุกข์คิดนะปรงแต่งบ้างแต่พิมพ์นะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาก็ดับไปเห็นอาการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปไม่ใช่จิตมันแข็งขึ้นงขึ้นแต่จิตที่มีสติมันจะเหมือนคล้ายมันจะออกผาอารมณ์พนี้มันจะรู้สึกมันเกิดขึ้นแต่ผ า, าเกิดขึ้นทางผา มันรู้อยู่นะแต่มันไม่ใช่มันยังมีตัวปกติอยู่ของมันไอ้ที่มันแสดงเนี้ต้องเป็นอาการมันเฉยมันจะรู้สึกห่างๆเหมือนแก้ไขเราอยู่ห่างกองไฟอะเราก็รู้สึกถึงอันนั้นคือกองไฟนนั้นคือความร้อนแต่เมื่อจิตเราอยู่ห่างแล้วมันก็รัศมีความร้อนมันมันจะน้อยลงไปนันไม่ได้ออกอากาศไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันมีแต่เพียมื่าเราไม่เข้าไปส่งเป็นยึด หรือเข้าไปพูดกับเขาซื้อจะเรียกอย่างมีแต่ไม่เอาก็ได้มันมีความโกรธเกิดขึ้นมาแต่ไม่เอามีความรักเกิดขึ้นมาแต่ไม่เอาะมีความเสียใจเกิดขึ้นมาแต่ไม่เอานะะน่ะคือมีแต่มันไม่เอาเป็นแบบนั้นแต่ใหม่ๆบางทีมันก็เอานะเอาแต่เราควรู้พันละกว่านะเป็นแบบนั้นไปยึดแล้วกว่าไปยึดแล้วก็ว่า เราทาแบบนี้แหละนะคือการปฏิบัติธรรมคือการฝึกเจริญสติเนาะก็เดี๋ยวจะให้พระอาจารย์ตุ้มท่านได้แนะนํานะผู้ปฏิบัติใหม่เนาะที่ยังไม่เคยปฏิบัติในในการเจริญสติแบบนี้นะให้เราลองดูวันหนึ่งสองวันเราทาไปแล้วแล้วก็เอาไปใ่อยต่อในคลิปไว้าจาวันของเราต่อนะสึกสติไม่ได้เพียงแค่ฝึกในห้องนี้หรือที่นี่นะต้องเรียว่าฝึกทั้ง ตั้งชาติอะไรนะไหนๆก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไหนๆก็ได้เกิดมาพบาะพระพราะสสัตวัฒนาแล้วทําตั้งชาติแ่โยมนะทําแล้วมันจะได้อะไรเป็นเรื่องของมันนะไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปกังวล น, นะอย่าไปกังวลนะเราทําเหตุให้มันถูกอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกแล้วนะไม่ต้องไปกลัวว่าตายแล้วจะไม่ได้อะไรต่อไปมันได้ของมันอยู่ในตอนนี้แหละ ถ้าใจเราไม่เปทุกข์ประมันนะมันได้แล้วไม่ต้องสะสบเป็นของมนเองนะอย่าไปกังวบางทีนักปฏิบัติธรรมเนี่ยน้าสงสารนะตายไม่ค่อยกลัวหรอกแต่กลัวตายไม่ดีนอกลัวตายอย่งางนะคาสติสนะอคนโซ่ไปเนี่ยเขาจะกลัวตายเพราะห่วงทับทินเรื่ทองเองนั่นเ่อนี้นักปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างป่งอยวางเรื่องภายนอกแล้วแต่ก็หม่วงใจนี่แหละกลัวใจไม่ดีก ล, ลัวตายแล้วหลง กลัวตายจะไปคิดถึงกรรมที่เคยทําไม่ดีนะกลัวแบบเนี้ยลัวาขาดสตินะจะไปกลัวเลยนะถ้ามันเป็นวิบากกรรมก็ช่วยไม่ได้นะตกนรกไปก็ช่างของมันเดีก็เดขึ้นมานะเป็นค น, นใหม่ชนะึ้นสวรรค์ใหม่นะแต่นะแต่ถ้าเราหมันมีสติไป ไ, ปไวๆมันจะโน้มไปแบบนั้นนะพจะจะเปลี่ยนเหมือนคล้ายเหมือนอ่านะ ถ้าเรามีสติเรามีกุศลถ้าทำบ่อยๆจิตนก็จะน้องไปทางนั้นเลยละมันเป็นน้องไปทํางนี้นี่ละเหมือนกับคล้ายๆเราจะกระโดดขึ้นฟ้าระนาดไหนนะเราก็ต้องตกลงมาสู่พื้นดินมันจะแรงน้มถ่วงนะเราจะคิดไม่ดีขนาดไหนนะแต่ถ้ามีสติรู้ทันบ่อยๆเนี่ยึกทักเดียวก็ตกลงมานะมันก็กลับมาเป็นปกติของมันอนะจะไปกังวลนะพยายามอยู่กับปัจจุบันก็พอละอจะไปกังวลอธิษฐานโคตร อย่าไปกัมวลนื่องื่นคิดไปแล้วก็กลับมาก็ได้นะลองทมดูวันหนึ่งสองวันแล้วก็ไปใช้ต่อในคีวิตประจําวันที่มันได้มากที่สุดนะจะนิมนต์อาจารย์ทุ่งแนะนำเนาะส่วนส่วนนักปฏิบัติเก่าก็อาจจะไปปฏิบัติที่ห้องนิพพานทีมเราก็ได้นะจะอาจจะมาจะไปเวลาเป็นเพื่อนตรงนั้น ใหม่เรื่นะฮนะเป็นกาใครจะออกไปเจอฮะใครกกิน